เข่งแกันเยอะเลยโยมเดี๋ยวนี้พัฒนาเยอะนะเมื่อวานพระก็ดีนะพระช่วงหลังๆมาเรียนดูดีขึ้นเยอะเลยเมื่อวานพระมาหลายวัดมีวัดหนึ่งมาเยอะยยยที่เชียงใหม่ท่านก็อยากภาวนากันอาจารย์สอนสอนมีอาจารย์สอ น, สอ น, อาาสอนหลายองค์นี้เวลาอาจารย์สอนนึงคล้ายๆสอนแล้วคล้ายๆมีจิกซอรเป็นตัวต่อต่อกันไม่ได้นะ ท่านฟังซีดีหลวงพ่อฟังแล้วเข้าใจเข้าใจแล้ตื่นเลยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนนะสมัยแต่ก่อนเราฟังตอนเด็กๆ อ, อ่านพระไตรปิฎกแล้วงงว่าทาไมควรฟังพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุมรรคผลกันง่ายๆพระพระุทธเจ้าแสดงธรรมะนี่นะงดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดสมเหตุสมผลไปหมดเลยพอฟังแล้วมันปิ๊งเลยเข้าใจ นี่คนชั้นหลังๆเวลาถ่ายทอดธรรมะต่อๆมานี่มันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยไปอย่างสอนวันนี้สอนเรื่องสันโดษอีกวันหนึ่งสอนเรื่องถือศีลอะไรเงี้ยมันต่อกันไม่ติดนะธรรมะงั้นพอเราเรียนทั้งระบบได้เราเข้าใจคอนเซปต์ทั้งระบบมันง่ายแล้วในการที่จิตจะดําเนินไปเมื่อวานพระมีองค์หนึ่งเ น, นี่ยนียบมากเลยถามว่าท่านฝึกยังไงเนี่ยฝึกได้ดีมากๆเลย ท่านฝึกด้วยการกวาดวัดท่านกวาดของท่านไปทั้งวันแล้วกวาดไปเรื่อยๆกวาดแล้วก็เห็นร่างกายมันทํางานไปเห็นจิตมันทํางานฝึกอยู่เท่านั้นเราบอกฝึกแค่นี้เองทั้งวันทั้งวันงั้นเราอย่าดูถูกนะเห็นเขาไม่ได้นั่งแล้วก็บอกเขาไม่ได้ภาวนาหลวงพ่อเมื่อก่อนโ ง, โง่ๆตอนเป็นนักศึกษาไปบวชอยู่วัดชมพันธ์เจ้าคุณปัญญาท่านให้นั่งให้ให้อยู่กุฏิข้างหน้าวัดเลยใกล้ๆกับคอนโดผี นะมีผีใส่เป็นช่องๆ อ, งองยู่ใกล้ๆเลยคือตีใกล้ๆกันมีพระผู้ใหญ่องค์หนึ่งนะท่านไม่ยุ่งกับใครวันๆหนึง่งตือนเช้าขึ้นมาบิณฑบาตเสร็จฉั้นเสร็จนั้งก็กวาดวัดแนละ้วมีไม่กวาดสองอันไม่กวาดดอกหญ้าสองอันกวาดกวาดไปเรื่อยๆเลยนะเราก็ถามท่านนะท่านไม่พอนาเหรอท่านก็ยิ้มๆนะมันนึกถึงท่านนะโอ้ท่านพยายามเจริญสตินะท่านพยายามทํา คือถ้าเจริญสติเป็นอย่างแท้จริงนะเราเคลื่อนไหวไปเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตมันทำงานอย่างนั้นเรได้ธรรมะเร็วกาจับหลักให้แม่นนะการภาวนาไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงกายมันมีความเคลื่อนไหวอะไรก็แค่รู้สึกจิตมันเคลื่อนไหวยังไงก็แค่รู้สึกอย่าไปเพ่งอยู่ในกายอย่าไปเพ่งอยู่ที่จิตแล้วก็อย่าเพลอเพลินไปที่อื่น ไม่สุดโตกสองข้างข้างหนึ่งคือเพลอเผลนไปที่อื่นลืมกายลืมใจข้างหนึ่งคือเพ่งกายเพ่งใจนี่สองข้างนี้ไม่สามารถทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลงเพลอไปที่อื่นมกักจะหลงไปอบายนะเพ่งกายเพ่งใจแล้วมักจะไปสุขติเพ่งเก่งๆ ก, ก็ไปเป็นพระพรหมนะไม่มีทางบรรลุมรรคผลนิพพานเลยอยากได้มรรคผลนิพพานก็จเจริญสติในชีวิตประจาวันให้มากๆ ยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวเห็นร่างกายทํางานไปจิตใจเคลื่อนไหวคอรู้สึกเห็นจิตใจมันทํางานไปรู้สึกง่ายๆรู้สึกง่ายๆตอนนี้พระก็เรียนเยอะขึ้ น, นะแต่ก่อนนี้พระฟังหลวงพ่อไม่เข้าใจเหมือ น, นพระชอบเพ่งหลายวัดหลายสำนักนะกําลังฟังซีดีกันยกใหญ่เลยถ้าจเจริญสติเป็นนะต่อไปคงไม่แห้งแล้งนักในวงการชาวพุทธ ีคนเจริญสติมากมากวันหนึ่งก็ได้มากผลนิพพานแต่อย่ามัวนะบางคนไม่ได้เจริญสติแล้วคิดว่าจะได้มากผลนิพพานเยอะมากเลยบางวัดนะพระอนาคาทั้งวัดเลยอาจารย์เป็นพระอระหันต์กับพระอีกหลายองค์เป็นพระอระหันต์หญ่ชีแม่ครัวอะไรพระอนาคาเคยได้ยินแปลกๆหนึงขนาดว่ามีหอยวัดหนึ่งบรรลุพระอระหันต์ฟังแล้วกลุ้มใจแทนนะ มันบรรู้ได้ยังไงนะมันแปลกๆเกินไปนะอะไรเชื่ออะไรงมงายได้ยินที่โน้นพระอริยะที่นี่พระอริยะบางคนนะไปเข้าวัดเข้าสํานักนแล้วเขาก็ตั้งให้ไปหลายๆทีนะเขาก็ตั้งให้เป็นพระอริยะคราวนี้ติดเลยติดใจแล้วอยากเป็นพระอริยะเนี่ยภาวนาแล้วก็ให้เป็นพระอริยะเลยแป๊กอยู่ที่นั่นไปไหนไม่รอดแล้ะ ก็อยู่เกาะกับกอาจารย์ที่เป็นพระราหันอยู่อย่างนั้นเละหันไปหันมา <c oughs> อย่างโง่นะต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เขาทํานั้นนะมันเป็นเส้นทางเดินของพระอริยะจริงหรือเปล่าเป็นเส้นทางของการเจริญสติปัฏฐานการทํำวิปัสสนากรรมฐานจริงหรือเปล่าถ้าเดินผิดทางอย่ามาพูดถึงผลเลยไม่มีทางหรอกเช่นถ้านั่งเพ่งกายเพ่งใจเรื่อยไปเพ่งเวทนาบางคนก็เพ่งเวทนาบางคนเพ่งร่างกายนะ เพ่งลมหายใจเพ่งท้องผองยุบเพ่งเท้าเพ่งมือเพ่งอะไรอย่างเงี้ยนะอันนั้นอย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเลยอันนั้นเป็นความสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองจะใช้ไม่ได้บางคนใช้คิดเอานะคิดพิจารณากายพิจารณาใจนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดเอานั้นเป็นความฟุ้งซ่านของจิตก็ใช้ไม่ได้แต่บางท่านอย่างครูบาอาจารย์วัดป่าท่านให้ทําความสงบแล้วท่านให้พิจารณากายนั้นเป็นอุบาย เพอาะางทีเวลาทำความสงบมากๆแล้วไปติดความสงบอยู่เฉยเฉยจิตไม่เดินปัญญาท่านก็สอนให้พี่จารนกายตรงที่ท่านพี่นาการ ย, ยังไม่ใช่วิปัสนาหรอกเป็นการกระตุ้นให้จิตมันทำงานไม่ให้มันนิ่งเฉยหลวงปู่ม่านสั่งบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนี่พอท่านพุโทโธพี่นากายนะจิตใจของท่านก็คล่องแคล่วปลัดเปียวตั้งมั่นด้วย ทำความสงบเข้ามาแล้วก็ตั้งมั่นไปพิจารณากายก็จิตเคลื่อนไหวคล่องแคล่วปราดเปรียวไม่นิ่งไม่ซึมท่านก็มาเจริญสติในชีวิตประจําวันกันยืนเดินนั่งนอนท่านคอยรู้สึกตัวกันสําคัญอยู่ตรงนี้หลวงปู่มั่นถึงสอนบอกว่าทําสมาธิมากเนิ่นช้าทําแต่สมาธิเนิ่นช้ากี่ภพกี่ชาติก็ไม่เสร็จหรอกไม่ทําสมาธินะเราไปเป็นพระพรหมหมดพระพุทธเจ้าตั้งหลายองค์เลยยังไม่ได้ฟังธรรมอย่างเงี้ยเนี่ ย, เ, ยเนิ่นช้ามากเลย คิดพิจารณามากก็ฟุ้งซ่านนะมันไม่ใช่วิปั ส, สนาท่านสอนบอกหัวใจของการปฏิบัตินะก็คือการมีสติในชีวิตประจำวันใี่หัวใจอยู่ตรงนี้เองนะเหมือนที่พระที่เล่าให้ฟังตะเคีย้ยท่านจับหัวใจของการปฏิบัติได้ท่านไม่ได้เพ่งกายเพ่งใจท่านไม่ได้เผลอไปที่อื่นท่านไม่ได้เผลอคิดเรื่องกายเรื่องใจแต่ท่านรู้สึกกายรู้สึกใจหวาดวัดไปก็รู้สึกนะจิตใจเคลื่อนไหวก็รู้สึกรู้สึกไป เห็นในโลกธาตุนี่ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนะเห็นอยู่ไปเรื่อยวันหนึ่งใจก็ยอมรับไปเองนะ่ะเอาของจริงมาตีแผ่ให้จิตใจมันดูนะกายนี้ใจนี้มันไม่ใช่เราหรอกนะให้มันดูซ้าแล้วซ้ําอีกดูทุกวันทุกวันนะวันหนึ่งมันก็ต้องยอมรับความจริงเข้าจนได้แนะไม่มีทางเลือกที่สองนะสำหรับความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะั้นมีแด่เรื่องการเจริญสติรู้กายรู้ใจลืมกายลืมใจใช้ไม่ได้เพ่งกายเพ่งใจใช้ไม่ได้นะเพราเราเวลา ได้ยินใครเขาเป็นพระหันพระอนาคาพระโสดาสกทาคานะเป็นคนเป็นบ้างหอยเป็นบ้างเลยเราก็ต้องพิจรารณาหอยนั้นเจริญสติปัฏฐานไหมห ร, หรือมนุษย์นั้นเจริญสติปัฏฐานไหมพระเจริญสติปัฏฐานถูกต้องไหมเจริญสติปัฏฐานก็ต้องดูอีกสติปัฏฐานมีสองขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งทำให้เกิดสติ ขั้นตอนที่สองทำให้เกิดปัญญามีสติแล้วก็มาเจริญปัญญาตรงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยถึงจะเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานสติปัฏฐานเบื้องต้นแค่ให้มีสติพอมีสติได้เป็นเครื่องมือแล้วก็ฝึกไปจนใจตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็มาเจริญปัญญาเห็นกายเคลื่อนไหวเห็นจิตเคลื่อนไหวไม่ใช่เราเคลื่อนไหวเห็นรูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนั่งรูปมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะ ก็คอยรู้สึกไปอย่างเงี้ยวันหนึ่งก็จะแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรารตัวเราไม่มีผู้ใดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะก็จะได้ประสูาบันก็เฝ้ารู้กายเฝ้ารู้ใจต่อไปเนืองๆวันหนึ่งก็จะเห็นความจริงที่ลึกซึ้งประณีตยิ่งขึ้นไปอีกว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆนะเรียกว่าเห็นทุกข์แจ่มแจ้งเลยบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางท่านเห็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นบางท่านเห็นทุกข์ มันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาเผอเห็นอย่างนี้ซ้ำซํำๆๆนะก็ปล่อยวางความยึดถือในกายในใจพ้นทุกข์ก็ตรงปล่อยวางไม่ใช่พ้นทุกข์เพราะว่าฝึกจิตให้ดีฝึกจิตให้ดีได้จิตก็ยังชั่วได้เราไม่ได้ฝึกเอาแค่ให้จิตดีนะอย่างนั้นยังไม่ฉลาดพอเราฝึกให้จิตเห็นความจริงไปเรื่อย ดีก็ชั่วคราวชั่วก็ชั่วคราวสุข ก, ก็ชั่วคราวทุกข์ก็ชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวเนี่ฝึกไปให้จิตมันเห็นของจริงเนี่ยเห็นของจริงเข้าไปอีกกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตก็ถูกตันหาบีบคั้นอยู่ตลอดเวลามันทนอยูย่ที่เดิมไม่ได้ฝึกให้เห็นความจริงยิ่งขึ้นไปอีกกายนี้เป็นแค่วัตถุาธาตุไม่ใช่เราหรอกจิตก็เป็นนามธรรมเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุเหมือนกันเรียกว่าธาตุรู้ ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาฝึกให้เห็นนะไม่ใช่ฝึกคิดเอาฝึกให้เห็นความจริงการเห็นความจริงเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาปัศนาปัศนาการเห็นเห็นความจริงเรียกว่าวิปัสนาความจริงในกายในใจความจริงที่ว่าตัวเราไม่มีความจริงที่ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้นลนเพราะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็ความจริงถ้าเห <im> ็นความจริงได้นะใจก็จะเป็น ถอดถอนออกมาเป็นอิสระขึ้นมาถอดถอนตัวเองออกจากความยึดถือในกายในใจเมื่อไรไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกเพราะสิ่งที่เรายึดถือเนียวแน่นที่สุดว่าเป็นตัวเราก็คือกายกับใจนั้นระหว่างกายกับใจก็ยึดใจมากกว่ากายนะอย่างเวลาไม่สบายมากๆใช่มมันกลุ้มใจนะเวลาเจ็บป่วยมากๆทรมานมากๆอยากตาย ไม่รักกายแล้วอยากให้กายนี้ตายเร็วๆไปให้เข้าไปเผาทิ้งซะ เ, เพราะว่ามันทรมานใจมาก เ, เอาความจริงนั้นก็รักจิตใจมากที่สุดเลยหวงแหนที่สุดให้เราค่อยฝึกเอาความจริงมาป้อนให้จิตใจดูทุกวันทุกวันนะทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ไมเที่ยงเป็นทุกเป็นอ น, นัตตาไม่ใช่ตัวเราะทั้งกายทั้งใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่คิดเอาแต่ว่าดูความจริงไปเรื่อยๆถ้าดูได้นะไม่นานก็เข้าใจธรรมะขึ้นมาีเชื่อใครง่ายๆนะ เชื่อมีทางลัดที่ยิ่งป่านี้บางคนมีทางลัดนะสอนเห่นให้น้อมจิตให้อยู่ในความว่างน้อมจิตให้หยุดหยุดคิดหยุดนึกหยุดพวงหยุดแตง่งบางคนก็สอนให้ดับจิตลงไปมีบางที่เก็สอนสอนให้ดับเวทนามีนะสอนให้ดับเวทนาเลยอ้างอ้างพระสูตรได้ด้วยอ้างพระพิธรรมอ้างส่งเดชนะแหละอ้างปฏิจจสมุ ป, ปบาท อ้างในบทที่บอกว่าพระเวทนามีอยู่ตันหาจึงมีอยู่พระเวทนาดับไปตันหาก็จะดับไปไม่มีงั้นฝึกดับเวทนาหารู้ความจริงไม่ว่าเวทนานะั้นเป็นสภาวะธรรมชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเจตสิกนะแล้วเป็นเจตสิกชนิดที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงแม้นมีจิตเมื่อไหร่มีเวทนาเมื่อ น, นั้นถ้าจะดับเวทนาก็ทําได้อย่างเดียวคือดับจิต ภูมิเดียวที่ฝึกไปแล้ดับจิตได้นะมีอยู่ภูมิเดียวคืออาสัญญาสัตตาภูมิลมลูกฟักเพราะฉะนั้นฝึกไปนะเพ่งกายไปเรื่อยต้องเพ่งกายนะอย่าไปเพ่งจิตถ้าอยากดับจิตอย่าไปเพ่งจิตต้องเพ่งกายเช่นเราจะกินข้าวนะตักข้าวใส่ปากเนี่ยเพ่งอยู่ที่มือนะเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเห็นมันไหวปั๊บับปั๊บนะชั่วโมงหนึ่งแล้วข้าวยังมาไม่ถึงปากนะเพ่งอย่างเงี้ยกินข้าวเจงข้าบูดเลยยังไม่หยิบ ถ้าเพ่งไปเรื่อยการที่เพ่งเพ่งรูปมากๆนะเพ่งเก่งๆป็นจะได้รูปประชันรูปประชันคือการเพ่งรูปแล้วถ้ารูปประชันนั้นเป็นรูปประชันที่ไม่สนใจน้ำเกลียดนามไม่ชอบน้ำมันจะดับความรู้สึกลงไปพอถึงฌานที่สี่เพ่งจนจิตมีอุเบกขาจิตมีอุเบกขาก็เอกคตาจดจ่ออยู่ในรูปคนเดียวไม่ซัดสายไปที่อื่นเลยนะ เพ่งไปเพ่งไปแล้วก็ไม่ชอบความรู้สึกตัวจิตจะดับลงไปพาจิตดับลงไปก็เป็นรลมลุกฟักก็คิดว่านี่ดับเวทนาได้เพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับใช่ไหมตัณหาดับอุปาทานจึงดับอุปาทานดับภพจึงดับชาติจึงดับทุกข์จึงดับดับอย่างนี้มันเป็นนิพพานผลมนิพพานของผลมลุกฟักเท่านั้นเองไม่ใช่นิพพานของชาวพุทธฉะนั้นไม่ใช่ว่าพอจิตถอยออกมาจากสมาบัติ นะท่องกรอนได้ด้วยนะแต่งกรอนชมเมื่อเข้าสมาบัติตัวแข็งแจ้งชัดประสาทจุดงานหมดความรู้สึกคิดนึกทุกสถานอารมณ์นิพานมรรมสุขสัร์เมื่อก่อนหลวงพ่ออธิบายถึงตรงนี้นะโอ้ยก็โกรธกันมากเดี๋ยวนี้ไม่โกรธละเดี๋ยวนี้เริ่มฟังเรามากขึ้นคงเลิกท่องกรอนนี้ไปแล้วละ่ะท่องไปทําไมน่าเกลียดมันจมลูกฟักชัดชัดเลยถ้าฝึกให้ดีนะ่จะรู้นิพานของพระพุทธเจ้านะแต่นิพานของพมลุกฟักไม่เหมือนกัน พรมลกฟักนิพพานแบบไม่รู้สึกตัวลืมเนื้อลืมตัวไปเลยพอดับจิตลงไปก็เวทนาดับตัณหาอุปาทานภพชาติทุกข์ดับไปหมดเลยแต่พอเกิดความรู้สึกตัวล่ะเอาใหมา่อีกแล้ว เ, เวทนาใหมา่อีกแล้วเห็นไหมเพราะฉนั้นจะเป็นพระอรหันต์ก็เฉพาะช่วงที่เข้าสมบัติตัวแข็งแจ้งชัดตัวนั่นเองพอถอยออกมาอยู่ในโลกก็เกิดเวทนาใหม่ตัณหาอุปาทานภพชาติก็เกิดตามมาอีกแล้ว พระพุทธเจ้าไม่ได yeah. mm ้สอนให้เราเป็นพระอรหันต์เฉพาะตอนเข้าสมบัตินะเป็นพระอรหันต์ต้องเป็นได้กระทั่งในกามาวจรจิตจิตของคนธรรมดาอย่างเนี้ยจิตที่อยู่กับโลกธรรมดาอย่างเนี้ยเะฉั้นจิตของพระอรหันต์นะเวลาท่านไม่ได้เข้าสมบัติท่านอยู่กับโลกท่านก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้ท่านมีเวทนาอยู่ท่านก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้เราั้นไม่ใช่ท่านเป็นพระอรหันต์เฉพาะตอนเข้าสมบัติตัวแข็งแจ้งชัดประสาทยินงัน พอออกมาเราก็ไม่เป็นอีกแล้วนี่เรียกว่าหันไปหันมานะหันเข้าหันออกหลวงพ่อเคยโดนครูบาจารย์องค์หนึ่งจวกเอาแต่หลวงพ่อไม่ได้เข้าตัวนี้นะถ้าเราชอบดูจิตดูไปน้ามีอยู่ช่วงหนึ่งจิตมันไหลไปที่อารมณนะ์อารมณ์ภายในเราไม่หยั่งเข้าไปในอารมณ์นะทวนกระแสเข้ามาหาธาตุรู้แล้วก็ไม่จับอยู่ที่ธาตุรู้นะทวนกระแสกลับเข้าไปหาอารมณ์ วิ่งเข้าวิ่งออกอย่างนี้ยมันหยุดลงตรงกลางเหลือแต่ความรู้สึกล้วนๆเลยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรนะตอนนั้นเป็นคารวานะน์แล้วเสร็จแล้วถอยเอาแฉกตัวนั้นถึงเห็นว่าความปรุงแต่งมันก็ผุดขึ้นมาอีกไปเล่าให้หลวงปูธธ่เทศฟังว่าผมว่ามันมันไม่ใช่นะแต่ท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่แต่ว่าให้ฝึกเอาไว้เป็นของเล่นท่านบอกไม่ค่อยมีใครเขาเล่นกันละตัวนี้ ให้เล่นเอาไว้ให้ชำนาญบอกผมกลัวติดหน้าเดี๋ยวติดสมถะท่านบอกถ้าติดแล้วอาตมาจะแก้ให้เนี่ยท่านพูดขนาดนี้นะทาบอกถ้าติดจะแก้ให้เอาท่านบอกให้ทําเราก็ทําสิเราลูกสิตที่ดีเนยะเล่นเข้าเล่นออกอย่อยางเงี้ยนะวันหนึ่งไปวัดสันติธรรมจะไปหาอาจารย์ทองอินไปกลางคืนแล้วหนีสมมนากลางคืนเขากินเลี้ยงกินเหล้านะเราเข้าวัดเนีย ไปเรียนธรรมมาไปหาอาจารย์ทองอินปราก็ไปถึงหน้าวัดสนันติธรรมนะมืดตึ๊ดตือเลยสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้า ม, มีพระองค์หนึ่งมายืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่นะมาถึงก็บอกเลยบอกว่าวันนี้ท่านอาจารย์บุญจันทร์มาพักอยู่ที่วัดนี้แหละให้ไปพบท่านหน่อยบอกผมไม่รู้จักอาจารย์บุญจันทร์หรอกที่จะมาหาอาจารย์ทองอินแล้วนี่ก็มืดเราด้วยไปหาพระที่เราไม่รู้จักผิดเวล่ำเวลาเนี้ยโดนเฉ่งออกมาเนี้ย ก็ไม่ยอมไปนะไม่ยอมไปถามท่านว่าจันทร์ทองอินอยู่ไหมท่านบอกอยู่ก็ไปคุยกับจันทร์ทองอินชั่วโมงอากาศก็หนาวมากเลยนะออกมาจากกุฏิาจันทร์ทองอินเลยยังเจอพระองค์นี้มาเฝ้าอยู่ท่านรบเล้าอ้อนวอนเลยนะหน้าไปหน่อยหนะ้าไปเถอะไปเถอะนะถ้าทางกระวนกระวายใหญ่อยากให้เราไปจริงๆเอ้าเราก็เกรงใจนะไปก็ไปนะกล่าวว่าไปกราบสนิทนิดหน่อยหน่อยเดี๋ยวจะหนีกลับแล้วไม่เอาแล้วดึกแล้วขึ้นไปถึงกุฏิ ท่านเป็นพระอาคารตุกะท่านอยู่ท้ำผาพึ่งท่านมาพักอยู่วัด ส, สันติธรรมท่านไม่สบายมากขึ้นจุติไปนะท่านนอนอยู่บนตังหน้ากุฏิอยู่ที่ระเบียงระเบียงเล็กๆ เ, เหล่ามีแต่ตังแล้วก็พอมีที่นั่งหน้าตังได้นิดนึงคลุมโป่งอยู่นะตัวสันส่นๆๆอยู่ไม่สบายมากอุตส่ารอเรานะไม่เข้ากุฏิพอขึ้นไปกราบท่านนะท่านก็ลุกขึ้นมานั่งตะคอกเราเลยบอกภาวนาไงผมบอกท่านเลยเนี่ยผม ทำสมาธิอย่างนี้นะเข้าเข้ า, ขาออกออกอยโดนท่านดุเอ า, านิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะภาวนาไงาอีกเราก็คิดว่าท่านฟังเราไม่รู้เรื่องนะก็เล่าซ้ําอีกนะโดนท่านดุครั้งที่สองเฮ้ย hey, นิพพานอะไรอย่างนั้นนิพพานอะไรมีเข้ามีออกใจเลยรู้ความจริงเลย น, ะนี่มันไม่ใช่ทางนเะยแต่หลวงปู่เทศท่านจะให้เล่นไว้ท่านึองจะได้ชํานาญทุกๆกอย่าง พอโดนท่านดูนะใจมันถอนซึบออกมาเนะีไม่เข้าอีกแล้วตั้งแต่นั้นไม่ยอมเข้าอีกเลยเวลาจิตมันรวมลงไปนะมันเหมือนไม่มีเวลานี่นไหมฟังแล้วเป็นอากาลิโกไม่มีเวลาไม่มีอะไรสักอย่างเลยเหลือแต่ธาตุรู้อันเดียวล้วนล้นอยู่อยู่นั้นมีแต่ความสุขความสบายนิพพานปลอมมันปลอมตรงไหนปลอมตรงที่มันยังต้องเข้าเข้ๆออ ก, ออกๆอยู่นะไม่ใช่ของจริงหรอกของหลอกๆ นิพพานของจริงไม่มีเข้าไม่มีออกนะอยู่ต่หน้า ต, ตาเราเนี้ยนึกถึงเมื่อไหร่ก็เห็นเลยไม่ต้องน้อมจิตเข้าไปในสมาบัติชั้นสูงอะไรหรอกเพราะงั้นถ้าเราฝึกของเราไปจนจิตมันไม่ยึดถืออะไรแล้วอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ยึดถือนะไม่ต้องเข้าสมาธิแล้วถึงจะไม่ยึดถือหรอกถ้าเราฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจไปนี้เส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอยู่ตรงนี้มีสติรู้กายรู้ใจไปลงไปดูในสติปัฏฐานอารมณ์ในสติปัฏฐานมีแต่เรื่องรูปนามเรื่องกายเรื่องใจ มีปัสนากรรมฐานก็ต้องรู้การู้ใจไปรู้อย่างอื่นไม่ได้นั่นก็วนเวียนอยู่รู้กายรู้ใจไปอย่างนี้แหละเขเห็นความจริงแล้วไม่ยึดถือไม่ยึดถือแล้วมันไม่ยึดถือเลยมันไม่ใช่ไม่ยึดถือเฉพาะตอนเข้าสมาธิะอยู่ข้างนอกนี่มันก็ไม่ยึดถือเพะไม่มีความแปรพลวนที่เกิดขึ้นนะใจมันก็ไม่แปรปลันอีกต่อไปแล้วไม่ใช่พลุพลูโผล่เดี๋ยวก็หันซ้ายเดี๋ยวก็หันขวาไม่เป็นหนึ่งเนาะเพราะฉะนนการปฏิบัติไม่มีอะไรนะฌานมหาบัวสรุปไว้น่าฟัง สอนหลวงพ่อไว้ทีหนึ่งหลงการปฏิบัติไม่มีอะไรหรอกมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรียนจากครูบาอาจารย์กี่องกี่องมีแต่เรื่องกายกับใจหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์เยอะนะหลายสิบองค์เรียนจากหลวงปู่ดุลเข้าใจแล้วก็ไม่เลิกนะไม่รู้ทําไมนิสัยมันชอบหาประสบการณ์นิสัยเหมือนจิรัตย์เนี่ยดีว่าไม่วิ่งไปถึงอินเดียรู้สึกอยู่ในใกายในใจเนี่แ ยู อ, องค์ยีองก็สอนนี้มีแต่เรื่องกายกับใจหลวงปู่ดูลยสอนบอกอย่าสรงฉิตออกนอกทรงฉิดอกอกนอกก็คือลืมกายลืมใจไม่ทรงฉิดออกนอกคือไม่ลืมกายลืมใจก็คือรู้สึกกายรู้สึกใจนั่นเงแล้วรู้สึกกายกับใจถ้ารู้สึกได้ก็รู้สึกเข้ามาถึงใจมา ใ, ให้ดูจิตแล้วรัดที่สุดเลยเพราะกุศลอกุศลมรรคผลนิพพานเกิดที่จิตนี่เราภาวนาเราตัดตรงเข้ามาถึงจิตนั่นบอกนี่ลัดที่สุดเลย แต่รวมความแล้วก็คือไม่ส่งจิตออกนอกคือไม่ลืมกายลืมใจครูบาอาจารย์หลายองค์นะอย่งหลวงปู่เหลียนเรียนยกับท่านนะสุดท้ายท่านสอนแต่ดูจิตตอนไปหาท่านทีแรกยี่สิบสาสิบปีก่อนเจอท่านท่านสอนพุทโทธพี่หนักกายพอท่านแก่ขึ้นมานะั้นท่านสอนแต่ดูจิตหลวงปู่เทสก็เหมือนกันเดิมเขาพุทโทธพี่นักกายนะพอท่านแก่แก่ท่านสอนเรื่องจิตกับใจสอนว่าจิตอันใดใจก็อันนั้นแหละ จิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพวกเรามีจิตจิตมันวิ่งวุ่นวายเสพอารมณ์ไปเรื่อยๆพอเรามีสติรู้ทันนะใจมันรวมเข้ามาเป็นใจเป็นแต่ธาตรู้เฉยๆรู้เป็นกลางนะท่านสอนเรื่องฌานกับสมาธิตัวนี้ก็สําคัญนะคือสิ่งที่หลวงพ่อสอนทุกวันนีนะ้คือสิ่งที่ท่านเคยสอนมานะแต่ด้วยภาษาโกลันกัน สิ่งที่เรียกว่าฌ า, านของท่านนั้นก็คือจิตที่ไปเพ่ง น, นั่นเองจิตที่เรียกว่าสมาธินั่นคือจิตที่ตั้งมั่นในการรู้นะท่านว่าฌานเป็นสมถะสมาธิใช้ทำวิปัสสนาก็คือสิ่งที่หลวงพ่อบอกนั่นแหละถ้จิตเราไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะหลวงปูธธ่เทศเรียกวาฌานเป็นสมถะถ้าใจเราตั้งมั่นในการรู้อารมณ์ท่าเรียกว่าสมาธิจิตตั้งมั่นจิตมีสมาธินะเรื่องที่หลวงพ่อสอนไม่ใช่ของใหม่นะครูบาอาจารย์สอนมาแล้วนะ ยิ่งแต่สอนด้วยคลภาษาบางทีท่านก็สอนแบบเป็นจิ๊กซอเป็นตัวตัวไปนะครูบาอาจารย์บางองค์อย่างหลวงปู่ทานะท่านก็สอนมีสติรักษาจิตนี่ต้องมีเสียงอย่างนี้นะถึงจะเสียงของจริงนะของจริงต้องจิตนะไม่ใช่จิตเพืนะ่มีสติรักษาจิตนะหลวงพ่อเทียนเคยเจอท่านนะไม่ได้เรียนกับท่านนะแต่ก็ได้ยินอยู่ว่าท่านก็สอนบอกการดูจิตเป็นวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุด หลวงปู่สุวัตก็สอนถึงจิตให้ดูจิตดูใจที่องค์กิ่องค์ก็สอนนั่นเดียวกันนะเหมือนกันหมดเลยแต่ถ้าดูจิตผิดนะไปเพ่งจิตท่านก็ไม่ให้เพ่งท่าก็ให้ออกมาข้างนอกอย่าไปเพ่งจิตออกมาอยู่กับโลกธรรมดานี่เคยหลงไปเพ่งจิตหลวงปู่สิมท่านก็แก้ให้ไม่ให้ไปเพ่งถอยออกมาออกมารู้อยู่ในโลกธรรมดาอย่างนี้ภาวนาไปอย่างธรรมดาธรรมดานภาวนาไปง่ายๆรู้สึกไปง่าย ถึงเวลาก็ทําความสงบเข้ามาบ้างนะไหว้พระสวดนมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทําบ้างแต่งานหลักจริงๆคืองานมีสติในชีวิตประจําวันการทําในรูปแบบนะมันเป็นการชาร์ตแบตเตอรี่เท่านั้นเงนชาร์จไฟเหมือนชาร์จแบตเตอรี่ไว้แล้วก็ถึงเวลาก็ต้องเอาไฟฟ้ามาใช้ไม่ชาร์จเล่นๆหลวงพ่อทูลก็เคยพูดนะบอกคนส่วนมากทําสมาธินะเหมือนเอาน้ําเนี่ยไปใส่ช่องๆอ่ะ แล้วก็ไปใส่ตู้เย็นนะเห็นไหมได้น้ําแข็งเป็นก้อนๆ อ, ออกมาพอน้ํามันแข็งแล้วน้ก็เอาออกมาเคาะๆบีบน้ําแข็งออกมาโยนทิ้งไปทีเอาน้ําใหม่มาใส่แล้วไปใส่ตู้เย็นอีกวันนี้พวกทําสมาธิทําแบบนี้แหละทําสมาธิแล้วไม่ได้ใช้งานจริงถ้าทําสมาธินะัมีเรี่ยวมีแรงแล้วต้องรีบดูกายดูใจต่อไปอย่าเลิกนะครูบาอาจารย์ไม่ว่าหลวงพ่อไปเรียนจากองค์ไหนองค์ไหนนะท่านก็มีแต่เรื่องเท่านี้เอง จิตฟุ้งซ่านก็ทำความสงบเข้ามาบ้างนะถือศีลไว้แล้วก็คอยรู้กายรู้ใจไปรู้จิตได้ก็รู้จิตไปเลยนะรู้จิตไม่ได้ดูกายไว้ดูกายก็ไม่ได้ดูจิตก็ไม่ได้ก็ทําความสงบเข้ามาใช่ไหมมีแนวรุกแนวรับในเวลาสอนนะั้นหลวงพ่อชอบสอนทั้งกระดานเลยตั้งแต่ต้นสายถึงปลายทางในต้นทางกลางทางปลายทางพวกเราถึงจะเห็นภาพง่ายให้เรียกว่าหมดจดตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทาง หลวปูดูลท่านบอกสอนเราต้องให้ได้อัตถรรทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวท<ม>การฟังธรรมะถึงจะมีประโยชน์จริงๆอั<ม>นนี้ที่สอนสอนทุกวันนี้ก็ครูบาอาจารย์สอนมานน้นแหละเพียงแต่ว่าท่านสอนคนน้อยหลวงพ่อสอนคนเยอะเท่านั้นไม่ใช่เรื่องประหลาดพิสดารอะไรหรอกไปกินข้าวไป <c oughs> <c oughs> นี่หมดเลยครับน <c oughs>